ร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนจริงอ่ะไม่จริงมั้งนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บุตรดานารักอะไรๆท่านพอดีหมดเลยร้อนก็ร้อนพอดีหนาวก็หนาวพอดีควรทาน้ําปานะไปถวายท่านเห็นว่าท่านแก่แล้วต้องการวิตามินซีสูงทําให้เปรี้ยวสุดๆเลยตัวเองไม่ได้ชิมนะ เอาไปถวายท่านเหลืออยู่หน่อยนึงนะแอบไปชิมโอ้โหเปรี้ยวอีกวันแก้ตัวทำให้หวาน <c oughs> ไปถามท่านเมื่อวานน้ำปานะเปรี้ยวไปไหมท่ากเปรี้ยวพอดีถวายอันใหม่ไปท่านก็ฉันตัวเองเอามาชิมทีหลังนะโอ้หวานไปไม่ถามท่านาหวานไปเปล่าห ว, วานพอดอีเอาท่านสิเนาะ ถ้าใจพอดีใ่ที่ใจไม่ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมใจท่านไม่ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นผลทพัพอสสิ่งที่มากระทบร่างกายความร้อนความหนาวอะไรพวกนี้ความอ่อนความแข็งสิ่งแวดล้อมที่มากระทบ ใ, ใจท่านเป็นกลางในใจเป็นกลางใจไม่ดิน้นไม่ปรุงแต่ง พอใจไม่ดิน้นใจไม่ปรุงแต่งใจก็ไม่ทุกข์มันทุกข์ขึ้นมาเพราะใจมันดิ้นรนปรุงแต่งเกิดจากมันไม่ยอมรับความจริงของสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยอมเช่นสิ่งที่มากระทบมันไม่ดีอยากให้ดีสิ่งที่มากระทบมันไม่ดีอยากให้หายไปอยากให้หาย อยากให้สิ่งที่ดีๆมากระทบถ้าสิ่งดีๆมากระทบแล้วอยากให้อยู่ตลอดไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทุกอย่างจะมาหรือไม่มาเพราะมันมีเหตุสิ่งที่มากระทบเราจะชั่วหรือจะดีนะมันมีเหตุอย่างทำไมบางคนนั่งรถไปด้วยกันคนหนึ่งเห็นรถติดนะชะโงกหน้าต่างดูเห็นแต่ต้นไม้บนเกาะกลางถนน อีกคนหนึ่งเห็นภาพคนถูกรถทับเละเทะเลยในปรากฏการเดียวกันนะทำไมผัะศรไม่เหมือนกันเนี่ผู้เจ้าท่านอาธิบายด้วยกฎของกรรมกฎของกรรมในขณะที่กรรมดีให้ผลเราก็ได้รับผัะศรที่ดีสิ่งที่มากระทบก็ดีนำความสุขความเพลิดเพลินจเจริญใจมาให้ ในขณะที่อกุศลให้ผลเราไปได้รับสิ่งที่ไม่ดีมากระทบนั่นพวกเราเนี่ยกรรมมันผลัดกันให้ผลอยู่หนึ่งเนืองเดี๋ยวก็กระทบดีเดี๋ยวก็กระทบไม่ดีเลือกได้ไหม ม, มีมีตาไม่ได้เจตนาจะเห็นคนถูกลดทับอยากเห็นไหมไม่อยากเห็นแต่ชงโงกเอาไง่า <c oughs> กว่าหลวงพ่อเห็นเวลารถมันชนกันนะ มิฉลอดูทุกคนอ่ะนะมีไหมพอ ร, รถชนกันสัตว์โลกน่าสงสารอะไรเงี้ยกลัวก็กลัวนะแต่อยากดูเหมือนผีแหละ <c oughs> กลัวก็กลัวนะแต่อยากเห็นใครอยากเห็นบ้างมีไหมอยากเห็นผีบ้างไหมมีไหมใครเคยเห็นบ้างแล้วมีไหมมีเหมือนกันนะโอ้หลายคนนกันเนาะเห็นที่ไหนคงไม่ใช่ที่นี่นะ ภาษาที่มากระทบนะก็เป็นอารมณ์ท si ี่ดีเรียกอิทธารมณ์อารมณ์ไม่ดีเรียกอนิถารมณ์เป็นผลของกรรมแต่ว่าไม่ว่ากรรมอะไรจะมากระทบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมชั่วมากระทบทําให้เราได้ประสบกับสิ่งไม่ดีเราสามารถเปลี่ยนแปลงจาก วิกฤตนะให้เป็นโอกาสได้เช่นตามมองเห็นรูปน่ากลัวแทนที่จะรู้สึกสยดสยองอย่างเดียวนะว่าจะเห็นเนความไม่เชี่ยงแท้ความประมาทไม่ได้นแปรปลวนนึกไม่ถึงเลยคนนี้ออกจากบ้านมาเมื่อเช้าเขาไม่นึกว่าเขาจะตายตอนนี้เขาตายแล้วเนี่ยชีวิตเป็นของไม่แน่นอนพี่นาออกมาเป็นธรรมะเลยก็ได้นะพี่นาว่าเออ เราอาจจะเป็นอย่างนี้เมื่อไร่ก็ได้ใจเกิดความไม่ประมาทขึ้นมานี่เป็นกุศลขึ้นมาแล้วงั้นศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาที่ยอมจำนวนกับกรรมเกา่าตัวสาคัญคือกรรมปัจจุบันต้องทำให้ดีทำให้ถูกนะฮะเกิดมายากจนเป็นผลของกรรมเกา่าเกิดมายากจนกรรมเก่าส่งผลให้เกิดมาจนไม่จำเป็นต้องจนตลอด ชาพุทธเราไม่ยอมจำนนกับกรรมเก่ากนะ็าทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นขยันทำมาหากินนะรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนรู้จักดำรงชีวิตให้พอควรแก่ฐานะก็ไม่จนนะก็พอก็พอเพียงขึ้นมาพ อ, พอเพียงเมื่อไหร่ไม่จนเมื่อนั้นนะมีเงินร้อยล้านพันล้านมันยังจนนะยังหิวยังหิวอยู่ยังไม่พอคนนี้ยังจนอยู่ ของเรามีอยู่มีกินแล้วมีเหลือเก็บไว้ยามฉุกเฉินบ้างเราพอใจเราไม่จนนะไม่จนเพราะคำว่าจนว่ารวยเนี่ยเป็นคำที่เปรียบเทียบขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยความรู้สึกเหมือนสั้นกับยาวเปรียบเทียบขึ้นมาแค่ไหนสั้นแค่ไหนยาวเป็นคำเปรียบเทียบหรือแค่ไหนร้อนแค่ไหนเย็นยังไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันมันเป็นความรู้สึกที่เปรียบเทียบ ถ้าใจเราพอสักอย่างเดียวนะั้นก็สบายมีความสุขแต่อยู่ๆใจมันไม่พอต้องฝึกต้องอบรมมันสั่งสอนมันจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งจิตได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่อบรมสั่งสอนได้นะเหมือนเด็กนะั้นเด็กเป็นอนัตตาลูกเรามีลูกเนี่ยลูกก็เป็นอนัตตานะสั่งมันไม่ได้จริงหรอกบางทีสั่งเรามันไม่ยอมเราก็เล่นงานมันมันกลัวมันก็แกล้งยอมไปก่อน วันหนึ่งมันแข็งแรงขึ้นมามันก็ไม่ยอมประกาศอิสรภาพนะจิตมันเหมือนเด็กนะสั่งมันไม่ได้จริงหรอกแต่ฝึกได้ให้การศึกษาได้หน้าที่เรานะให้การศึกษากับจิตตนเองเหมือนให้การศึกษากับลูกส่วนลูกเราเรียนแล้วมันจะสอบได้สอบไม่ได้จะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเราให้การศึกษาเต็มที่แล้ว ลูกก็เป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นนั่นแหละเป็นเรื่องเฉพาะตัวและเป็นกรรมของมันเองนะบางคนนะพ่อแม่ภาพเพียนมากเลยพาไปเข้าโรงเรียนเสียแป๊เสียแพงเสียเงินเรียนอย่างเดียวไม่พอต้องพาไปเรียนพิเศษหลงพ่อเคยเจอนะมีญาติๆกันน่ะพาลูกไปเรียนพิเศษวันนี้เรียนที่นี่วันนี้เรียนที่นี่นะวันนี้ไปตีขิมวันนี้ไป เล่นเปียนโนวันนี้ไปเต้นบัลเล่อะไรเงี้ยวันนี้ไปเรียนคณิตศาสตร์อัจฉริยะอะไรเงี้ยเด็กนี่น่าเครียดมากเลยหัวโตเลยมันเรียนมาก <c oughs> เด็กจะเก่งหรือไม่เก่งน้พ่อแม่สั่งไม่ได้มันเก่งแทนลูกไม่ได้มันจะสอบเข้ามาหาวิทยลาลัยได้ไม่ได้พ่อแม่ไปสอบแทนไม่ได้ทําได้แค่ให้โอกาสทางการศึกษาแล้วก็ความรู้นะองค์ความรู้นะเขาเกิดขึ้นเอง เราสั่งให้จิตฉลาดไม่ได้สั่งให้จิตเกิดความรู้ไม่ได้แต่เราให้การศึกษากับจิตได้ให้การศึกษาด้วยอะไรด้วยศีลให้การศ i mean? ึกษาเรื่องจิตกับเขาให้เขาเรียนรู้เรื่องจิตให้การศึกษาเรื่องวิธีเจริญปัญญาเรียกศีลสิกขาสิกขาก็คือมาศึกษานั่นเองศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาถ้าเราให้ให้จิตมันได้เรียนในบทเรียน3าบทเนี้ จิตมันจะมีพัฒนาการจะค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นมันจะสู้กิเลสได้อย่างเรามีลูกใช่ไหมเราอยากให้เรียนเพื่อจะได้สู้คนอื่นเขาได้จะได้สู้คนอื่นเขาได้ไปแข่งกับเขาได้ไม่ลําบากยากจนไม่อดตายไม่เป็นในนั้นอย่างนี้อยู่ได้จิตนี้เหมือนกันเราต้องให้การศึกษามันมันก็จะอยู่ของมันได้มันไม่ไม่แพ้กิเลส ตัวที่เบียดเบียนทําให้จิตใจหาความสุขความสงบไม่ได้ก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสมีหลายชั้นหลายเชิงหลายซับหลายซ้อนเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่ภาวนาแล้วไม่เห็นหรอกคนที่ไม่ภาวนานะจะรู้สึกว่ากูดีกูเกง่งกูถูกจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดทะเลาะกับคนอื่นทั้งวันเลยนะก็รู้สึกคนอื่นไม่ดีในขณะที่คนทั้งบ้านหรือคนทั้งที่ทํางานเนี่ยเขาไม่อยากคบยายคนเนี้ ยัยคนแสนดีนี่แหละ ไ, ไม่เคยอยากครบทุกเลยนะมองตัวเองไม่ออกเพราไม่ได้เรียนธรรมะเรียนธรรมะนะไม่ได้เรียนที่อื่นที่ไกลนะเรียนที่ตัวเองนะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่เรื่อยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันไปเรื่อยกนะิเลสครอบงาจิตไม่ได้สีนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเกิดเองเลยไม่ต้องมานั่งรักษาเป็นข้อๆเลยนะ อย่างพระริยะทั้งหลายนะท่านไม่ได้รักษาศีลเป็นข้อๆนะท่านมีสติคุ้มครองจิตอยู่ะถ้าถึงขั้นพระละหันเนี่ยท่านไม่ได้จงใจเอาสติคุ้มครองจิตนะมันเป็นเรื่องอาณาจักรมันไม่ต้องคุ้มครองเพราะจิตนั้นฉลาดเต็มดวงแล้วเต็มที่นะไม่งโง่ไม่งโง่กิเลสครอบไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่ต้องสู้ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระละหาันยังต้องสู้อยู่ต้องมีสติคุ้มครองจิตไปเรื่อย เราคอยรู้ทันจิตตนเองนะเนี่ยคือการให้การศึกษากับลูกน้อยๆผู้แสนร้ายไม่ใช่ลูกดีลูกสุดร้ายเลยนี่นะมารทั้งนั้นเลยตัวร้ายทำไมเรียกมารกิเลส น, นั่นแหละมารกิเลสนลั่นแหละตัวมารตัวผัวจกมารตัวหนึ่งเลยนะตัวมารอีกตัวหนึ่งที่ร้ายมากๆชื่ออาภิสังขารมานันความปรุงของจิตแต่ถ้าไม่มีกิเลสนะก็ไม่ปรุง ตัวเทวบุปฏมาลตัวอะไรเทวบุตรเทพบุตรเทพบุตรมานตัวจนะิตนั่นแหละตัวจิตนั่นแหละตัวเทพบุตรมา น, นเนี่ยมันตัวร้ายนะมันถูกกิเลสย้อมมันถูกกิเลสครอบอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งชาติทั้งหลายหลายชาติถูกกิเลสหลัดลกดันให้ดิ้นเล่าๆไปเรื่อยปรุงไปเรื่อย กิเลสหลักดันมันก็ปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งแล้วจิตมันก็ชั่วจิตมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสบายถ้าเมื่อไหร่พ้นจากความปรุงแต่งได้ก็มีความสุขจะพ้นความปรุงแต่งได้ก็ต้องไม่มีกิเลสจะไม่มีกิเลสได้ต้องมีปัญญาเห็นแจ้งในรูปนามเป็นลูกโซ่นะเป็นลูกโซ่มีเหตุ ม, หตมีผลแต่กว่าจะเข้าใจก็ยากเหมือนกันต้องภาวนากันปางตายโดยเฉพาะเต่ถึงขั้นที่จะเห็น ว่าตัวขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะตัวนี้ยากยากสุดเลยแต่ลําพังเห็นว่าถ้ากิเลสเกิดแล้วจิต ด, ดิ้นรนแล้วจิตเป็นทุกข์แค่นี้ไม่ยากพวกเราฝึกกันไม่นานก็เห็นแล้วนี่การจะเห็นว่าจิต ด, ดิ้นรนเพราะอาวิชชาตัญหาเกิดเพราะอาวิชชาอันนี้ยากเราจะล้างได้นะแต่ไม่ต้องกลัวเราล้างเป็นลําดับไปเราไม่ใช่เอาเด็กอนุบาลไปแอดมิทเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ต้องกลัวว่าสอบเข้ามาอะไรยากไปถึงเวลามก็ไม่ค่อยยากก็พอสู้ได้ตอนนี้อินเสีย่ยงอ่อนสู้ต่อแต่ไปก่อนตัวแรกเลยที่ต้องสู้นะความเห็นผิดว่ามีตัวเราต้องสู้ตัวนี้ให้ได้ก่อนอย่าสู้ผิดตัวอย่าชคผิดคู่ชคนะมีเพื่อนหลวงพ่อคนหนึ่งนะก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องนะไปวัดด้วยกันภาวนานะได้นิดนิดหน่อยหน่อยอง ไปถามหลวงปู่เทศไม่อยากระกามไม่ใช่คู่ชกกรรมยังไม่ใช่คู่ชกอย่างพวกเราบางคนอยากละกามกามยังไม่ใช่คู่ชกถ้าได้พระสกทาคาก่อนนะกรรมถึงจะเป็นคู่ชกกับเราได้พระนาคาก่อนเนี่ยอวิชชาถึงจะเป็นคู่ชกกับเราไม่งั้นยังไม่คู่ควรที่จะชกไม่มีทางเลยถูกน็อกอย่างเดียวไม่นพวกเราเป็นปุถุชนคู่ชกตัวแรกของเรานะคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน อย่าโชคผิดตัวไม่ต้องคิดถึงขนาดว่าจะล้างอาวิชชาได้ยังไงไม่ต้องคิดถึงขนาดว่าจะล้างมานะความถือตัวเทียบเขาเทียบเราได้ยังไงมัไกลไปไม่ต้องคิดถึงยรละความติดอกติดใจในความว่างความสุขความสงบจากการเพ่งรูปธรรมบ้างนามาทำบ้างเลยยังไม่ใช่คู่ชกนะเอาไว้ได้อนาคาไปค่อยเป็นคู่ชก ตอนนี้คู่โชบของเราคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนแล้วก็มาสู้ตัวนี้ก่อนวิธีที่จะล้างความเห็นผิดก็ต้องเห็นถูกเห็นไหมเป็นเหตุเป็นผลไหมจะล้างความเห็นผิดได้ด้วยอะไรด้วยความเห็นถูกสิถ้าเมื่อไร่เห็นถูกเมื่อนั้นไม่เห็นผิดเมื่อไรเห็นผิดเมื่อนั้นก็ไม่เห็นถูกความเห็นถูกก็คือขันไม่ใช่ตัวใช่ตนขันห้าไม่ใช่ตัวใช่ตนเราจะเห็นถูกได้ก็ต้องเห็นตามที่มันเป็น การเห็นถูกไม่ใช่การน้อมใจไปคิดน้อมใจไปเชื่อไม่ใช่ต้องน้อมใจแต่ว่าต้องเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงจะเรียกว่าความเห็นถูกไม่งั้นก็เรียกว่าความคิดถูกอย่างเรามานั่งคิดว่าร่างกายเหานี้ไม่เที่ยงต่อไปก็แก่ก็เจ็บก็ตายอันนี้เป็นความเห็นถูกไหมไม่ใช่ความเห็นถูกเป็นแค่ความคิดถูกเป็นจินตนาการที่ถูกเท่านั้นเองความเห็นถูกต้องเห็นน่ะ ต้องเห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เรียกว่าความเห็นสิก็เป็นความคิดไปสิงั้นต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้นะถึงจะเกิดความเห็นได้ความเห็นถูกเห็นทำไงถึงเห็นถูกเห็นตรงตามความเป็นจริงงั้นหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือวิธีการที่จะทําให้เราเห็นรูปนามตรงตามความเป็นจริงจะเห็นตรงตามความเป็นจริงความจริงของมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นเอาคําว่าวิปัสสนา แปลว่าการเห็นนะปัศนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งแปลว่าจริงเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นแจ้งงั้นเห็นจริงเห็นแจ้งต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาถ้าเราเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกเห็นจริงแล้วมันก็เกิดความเห็นถูกตัวความเห็นถูกนี่แหละเรียกว่าตัวสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฐินะงั้นภาวนาเนี่ย จนแทบเป็นแทบตายนะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้อะไรมาเราไม่ได้เสียอะไรไปเราไม่ได้ความเป็นพระอริยมาเพราะคำว่าพระอริยก็ยังสมมุติอยู่ไม่ใช่ว่าฉันเป็นพระโสดาถ้าฉันเป็นพระโสดาแล้วก็ไม่ใช่พระโสดาหรอกยังมีฉันอยู่ไม่เสียอะไรไปไม่ใช่ว่าเสียอัตตาตัวตนไปแต่เดิมมีตัวมีตนแล้วก็ภาวนาเห็นถูกแล้วก็เลยเสียความเป็นตัวตนไม่ใช่ ในความเป็นจริงแล้วไม่มีตัวตนที่จะเสียนะไม่มีอะไรที่จะได้มาไม่มีอะไรที่จะเสียไปมีได้มาอย่างเดียวนะคือสัมมาทิฏฐิเสียไปอย่างเดียวนะคือมิจฉาทิฏฐนะิงั้นตัวถ้าใครเ้าถามเรานะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโทตอบได้ไหมอะไรคือตัวพระพุทธศาสนาไม่ใช่แก่นนะ อะไรคือตัวจริงของพระพุทธศาสนาก็ตอบได้นะสัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพระพุทธศาสน า, นะสมม า, นาการที่เรามาคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั้นก็เพื่อให้เห็นถูกนั่นเองให้เห็นความจริงนะถ้าเห็นจริงเห็นถูกเขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิก็ล้างมิจฉาทิฏฐิไปมิจฉาทิฏฐิอันแรกที่จะต้องสู้กับมันให้ได้นะเป็นความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่ง เราคนนี้ตั้งแต่เด็กๆ เ, เราคนนี้ตอนนี้คนเดิมรู้สึกไหมร่างกายเหมือนไม่ใช่คนเดิมนะร่างกายหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้จำเรื่องเราตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ไดนะ้เราคนนี้จะอยู่วันนี้อยู่นี้นะวันข้างหน้าก็ยังเป็นคนเดิมอยู่อย่างนี้แหละนั่นเราจะรู้สึกโดยธรรมชาติเลยของสัตว์ทั้งหลายจะรู้สึกว่ามีเราที่เที่ยงแท้ถาวร อ, อยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนบอกไม่ถูก รู้แต่ว่าอยู่ในนี้แหละอยู่ในร่างกายนี้แหละดวออกไมมันอยู่ที่ไหนตัวเรามันอยู่ที่ไหนดูไม่ออกเพราะจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีเป็นความหลงผิดของเราเองเป็นความเห็นผิดของเราเองนะเป็นความเห็นผิดเป็นความหมายผิด <c ười> เป็นความรู้สึกผิดผิด <c ười> <c ười> เป็นความคิดผิดผิด <c ười> เป็นการหมายผิดผิดเรื่องสัญญาวิปลาสคิดผิดผิดเรียกว่าจิตวิปลาสมีความเห็นผิดผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาส มันพวกเราเต็มไปด้วยวิปลาสนะเต็มเห็นผิดผิดคิดผิดผิดรู้ผิดเห็นผิดผิดอะไรสัญญาหมายผิดผิดหมายว่ามีเร า, า, นานเรามาภาวนาเนี่ยทาลายความบ้าพวกนี้ให้หมดไปทำลายความวิปลาสพวกนี้ให้หมดไปด้วยการเห็นความจริงนะขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกขันห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวินญยญัง ย่อๆเป็นรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมนามธรรมนี้มารวมเป็นตัวเราเรามีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูแม้เราจะเห็นตามความเป็นจริงเราต้องเห็นแบบไม่มีอคติงั้นเราต้องเห็นแบบกรรมการนะเห็นแบบผู้พากษาเป็นกลางจริงๆไม่มีอคติว่เข้าข้างนี้เกลียดข้างนี้แล้วเราจะไม่หลงรักไม่หลงเกลียดไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายใจเราต้องเป็นกลางให้ได้เราตีจะเห็นความจริงได้ อย่าหัดภาวนากับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเห็นสภาวะแล้วใช่ไหมถ้าเห็นแล้วเป็นกลางไหมถ้ายังไม่เป็นกลาง Warrior, ใจไม่มีอคตินะเห็นความจริงไม่ได้มันเพี้ยนเพราะฉั้นต้องเห็นสภาวะสภาวะอะไรเกิดขึ้นรูปธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นคอยรู้ทันนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นคอยรู้ทันผู้ที่รู้ทันนี่เรียกว่าสติแต่เห็นแล้วต้องไม่มีอคตินะเห็นอย่างเป็นกลางจริงๆจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางจริงๆนี่เรียกว่ามีสมาธิ จิตที่มีสมาธิมันจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แต่ยังไม่เป็นกลางนี่สมาธิายังไม่ดีพอนั้นพอเห็นสภาวะแล้วหลวงพ่อชอบถามว่าเป็นกลางไหมถ้ายังยินดียินร้ายอยู่ก็ให้รู้ทันลงไปอีกยังเป็นผู้พิพากษาไม่ได้ยังเป็นกรรมการห้ามมวยไม่ได้ยังมีอคติอยู่แอบไปเล่นนักมวยข้างหนึ่งไว้นะแล้วก็ขึ้นไปตัดสินเขาชกมวยอะไรเนี้ยนะไอ้ทางน้อนชก ฝ่ายที่เราเล่นไว้โชคถูกเราก็ว่าผิดเออข้างเราโชคเขาผิดเราก็ว่าถูกอีกเป็นอย่างนี้หรือเล่นบอลเราเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งนะนักบอลอีกฝ่ายหนึ่งมันเอามือมาใกล้ๆลูกบอลถ้าเราว่าแหนบอนลล้หรือมันยังไม่ทันจะเข้าเราบอกเข้าแล้วเพราะอาคติไม่ใจต้องไม่มียอคติเราถึงจะเห็นความจริงได้รู้ทันใจตัวเองเข้าไป เวลาที่จิตไปเห็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตเป็นกลางไหมถ้าจิตยังยินดีอยู่ไม่ดีแล้วใช้ไม่ได้แล้ถ้าจิตยังยินร้ายอยู่ใช้ไม่ได้แล้วทำยังไงถ้ามันยินดีให้รู้ทันถ้ามันยินร้ายให้รู้ทันพอรู้ทันเนี่ยมันคล้ายๆมันจะรู้สึกขึ้นมาเองนะมันคล้ายๆกรรมการนะรู้สึกว่าตัวเองลําเอียงขึ้นมาพอรู้ว่าลําเอียงมันก็หายลําเอียงนะพอไม่รู้ว่าตัวเองลําเอียงอยู่ไม่หายลําเอียงหรอก งั้นเราคอยรู้ทันจิตของเราไว้ให้ดีการที่เรามีสติรู้ทันจิตนะให้ผลประโยชน์มหาศาลเลยเบื้องต้นให้เรามีศีลกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสเกิดเรารู้ทันเราได้ศีลเบื้องกลางให้ส ม, notes, สมาธิสมาธิจิตเราไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้ความตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วเวลาสติเราลึกรู้รูป ร, รู้นามแล้วเนี่ยเกิดยินดี เกิดยินร้ายขึ้นมาในรูปในนามนั้นให้รู้ทันยกตัวอย่างเราขับรถมาสวนสันติธรรมนะถูกเขาปาดหน้าใครขับรถแล้วไม่เคยถูกปาดหน้ามีไหมเนื่อต้องขับเร็วมากเลยปาดคนอื่นลูกเดียว <c oughs> ถูกเขาปาดหน้าเห็นไหมตามองเห็นใจคิดคิดในทางลบในทางไม่ดีโมโหถ้าคิดทางดีจะไม่โมโหนะไม่โกระ แต่ถ้าคิดในทางร้ายก็โมโหพอคิดทางไม่ดีนะพอตามมองเห็นรูปยังไม่โกรธต้องคิดนิดนึงก่อนโกรธนี่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยพอใจโกรธขึ้นมาโกรธไม่ดีนะนี่ไม่เป็นกลางแล้วนะก็ทั้งไม่เป็นกลางกับกิเลสก็ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่เป็นกลางกับกุศลใช้ไม่ได้นะไม่เป็นกลางกับกิเลสนี่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะในขั้นเดินปัญญาเนี่ยกุศลแรกกุศลเท่าเทียมกัน สอนใจรักเท่าๆกันเหมือนครูที่หน้าตาดีกับครูที่หน้าตาร้ายเท่านั้นเองงั้นเรารู้ทันเลยอย่างขับรถแล้วเขาปาดแล้วโกรธเห็นใจที่โกรธใช้ได้ได้หนึ่งคะแนนแะล้รู้ทันเลยว่าอยากหายใจไม่เป็นกลางรู้ทันเข้าไปความอยากมันดับปุ๊บความอยากดับปุ๊บใจเป็นกลางพับความโกรธ ด, ดับปั๊บเลยนะเพราะอะไรความโกรธ ด, ดับเพราะจิตมีสมาธิขึ้นมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา เห็นแค่ว่าความโกรธเป็นสภาวะแปลกปลอมเข้ามาเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งนี่ปัญญาเกิดนะอกุศลดับทันทีวับเลยค่อยๆหัดไปนะเจนกระทั่งใจเราเป็นกรรมการผู้เที่ยงธรรมดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรากิเลสไม่ได้มาที่อื่นกิเลสเข้าที่ใจอันเดียวแต่บางทีกิเลสก็าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย ไปกระทบอารมณ์ก่อนพอกระทบอารมณ์แล้วใจก็ตรึกในอารมณ์นั้นแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นตาหัวจมูกลิ้นกาไปกระทบอารมณ์แล้วใจตรึกแล้วเกิดกุศลได้ไหมหรือเกิดแต่กิเลสเกิดกุศลก็ได้เช่นตาเห็นพระพุทธรูปใจก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระคุณของท่านขึ้นมาใจเป็นกุศลอย่างนี้ก็ได้ได้คะแนนบวกไปแต่ไม่ใช่วิปัสสนา นะไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเนี่ยตามองเห็นพระพุทธรูปใจก็ตรึกถึงพระพุทธเจ้าจิตเกิดกุศลมีสติรู้ว่าจิตเป็นกุศลแล้วเห็นกุศลเป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นสภาวะนมามธรรมอันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีเหตุก็เกิดเหตุคือเราไปตรึกในสิ่งที่ดีงามของพระพุทธเจ้าหมดเหตุมันก็ดับไปหมดเหตุคือตอนที่เราไปรู้ทัน ว่ามีกุศลเกิดขึ้นมีศรัทธาเกิดขึ้นพาเรามีสติรูท้ทันขนาดนั้นไม่ได้ตรึกถึงพระพุทธเจ้าเหตุที่ทำให้ศรัทธาตัวนี้เกิดขึ้นก็ดับศรัทธาตัวนั้นก็ดับเนี่ยถ้าดูให้ดีทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยนะแล้วเป็นสภาวะธรรมที่หมุนเวียนกันเข้ามาทั้งวันทั้งคืนใจเราเหมือนช่องหน้าต่างนะเราคอยดูผ่านหน้าต่างออกไปเห็นสิ่งที่ผ่านมา ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปของสวยงามผ่านมาแล้วก็ไปของเร็เวๆผ่านมาแล้วก็ไปนะความสุขมาแล้วไปความทุกมาแล้วไปกุศลมาแล้วก็ไปอกุศลมาแล้วก็ไปรู้อย่างเป็นกลางไม่ใช่ความทุกขมาก็เกลียดมันความสุขมาก็ชอบมันกุศลมาก็ชอบมันอกุศลมาก็เกลียดแต่บางคนเกลียดกุศลนะเคยมีไหมเคยเจอไหมพอจิตใจเป็นกุศลไม่ชอบเลยรู้สึกเสียเอกลักษ์เสียอัตลักษณ์ อะไรเนี้ยดีไม่ได้มีนะไม่ใช่ไม่มีเคยเจอนะแบบเราถอดใจเลยรู้สึกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมบัวสี่เหล่านึกถึงธรรมะตัวนี้ทันทีเลยบัวชนิดนี้เอาไว้เลี้ยงเต่าใครเคยภูมิใจที่โกรธงโมโหแล้วภูมิใจนี่เนี่ยชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบน ะ, ะใครเคยคิดอะไรเศร้าแสบในใจแล้วชอบมาก เนี่ยชอบกิเลสนะไม่ใช่ไม่ชอบเมื่อกี้ทําเป็นหัวเราะจริงๆชอบทั้งนั้นแหละแอบชอบคนละนิดคนละหน่อยนะบางคนภูมิใจที่โมโหนะบางคนแหมแสบแสบอู้สะใจเหมือนนางเอกนสวมวิญญาณนางเอกนะเจ็บแสบแล้วก็มีความสุข น, นี่กิเลสทั้นั้นเลยนะนกิเลสพวกโทสะแล้วเรายินดีกับมันก็รู้ทันลงไปนะชอบมันชอบมันเวลาเราภาวนาที่จิตโล่งจิตว่างขึ้นมา แล้วก็อยู่ในความว่างตลอดเลยเราก็รู้สึกว่าว่างแล้วความจริงแอบชอบมันราคะแทรกอยู่แต่ไม่เห็นหมเนี่ยกิเลสมันแฝงตัวอยู่ในหัวใจเรานี่เราไม่เห็นนะถ้าเราเห็นเรารู้เลยจิตมีราคะจิตพอใจในความโล่งความว่างความสงบก็รู้ทันนะราคะดับเลยราคะดับจิตเป็นกลางไอ้สภาวะโล่งว่างก็แสดงใจรักได้ละ เราไม่ได้ไปตรึงมันไว้ด้วยความชอบแล้วไปประคองไปรักษามันไว้นีแ่แสดงไตรลักณ์ให้ดูเกิดแล้วก็ดับให้ดูเห็นไหมมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของเป็นอนัตตาเมื่อเรามาฝึกนะอันแรกเลยฝึกให้เห็นสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรากุศลอกุศลใดๆเกิดขึ้นก็รู้แต่กุศลอกุศลหลืสภาวะสุขทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบอารมณ์ภายนอกด้วย นะกระทบทางรูปธปรรมก็ได้อาศัยใจไปตรึกไปคิดเอาด้วยอํานาจของสัญญาก็ไดนะ้กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมากิเลสก็แทบนะใจไปคิดในอารมณ์นะศัยสัญญาใจไปตรึกไปตรองขึ้นมากิเลสก็แทกนะสัญญาและเวทนานี่แหละทำให้สังขารปลุกขึ้นมานะสัญญากับเวทนานเป็นตัวจิตตสังขารเป็นตัวปลุกเป็นตัวให้ให้จิตมันปลุก พอมันปรุงขึ้นมาเรารู้ทั น, นเรียกว่าเรารู้ทันแะเพราะฉะนั้นการรู้ทันจิตเนี่ยไม่ใช่อยู่เฝ้าอยู่ที่จิตนะไม่ใช่นั่งรอดูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตไม่ต้องรอไม่ต้องเฝ้าอย่าไปดักดูไว้ก่อนถ้าไปดักดูไว้ก่อนจะเป็นการเพ่งจิตไม่ใช่การดูจิตที่ถูกต้องให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบที่เป็นรูปธรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพระแล้วก็ธรรมอารมณ์บางอย่าง เป็นรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นธรรมารมธรรมารมได้กว้างนะสิ่งที่รู้ด้วยใจเนี่ยรูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยใจนะไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ใจรู้ได้แต่นามธรรมาลองหลับตาดูแล้วขยับมือดูรู้สึกถึงความมีอยู่ของมือที่เคลื่อนไหวไหมรู้ด้วยตาไหมไม่ได้รู้ด้วยตานี่รู้ด้วยใจเมื่อรูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยใจนะธรรมารม เป็นสิ่งที่กว้างมากเลยธรรมอารมณ์นี่ประกอบด้วยสมมุติบัญญัติเรื่องราวที่คิดขึ้นประกอบด้วยรูปธรรมบางอย่างประกอบด้วยนามธรรมทั้งหมดประกอบด้วยนิพพานนิพพานไม่ต้องมีคําว่าทั้งหมดเพราะนิพพานมีอันเดียวนะมีหนึ่งนามธรรมา ท, ทั้งหมดรูปธรรมบางอย่างเนี่ยรู้ด้วยใจเพราะไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบแล้วเนี่ยจิตมันทํางานขึ้นมา มันปรุงอะไรต่ออะไรปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมามีสติรู้ทันพอมันปรุงขึ้นมาแล้วมันยินดีมันยินร้ายมีสติรู้ทันครับอีกใ น, นสุดจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยสตินะแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางมันจะเห็นความจริงเห็นความจริงว่าอะไรทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนนเบื้องต้นเห็นอย่างนี้นะต่อมาก็เห็นอีกทุกอย่างมาไม่ได้มาลอยๆนะมีเหตุมันถึงมาไม่มีเหตุมันไม่มา เมื่อมันมาแล้วถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับนะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยนี่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกน้ำจะล้างความเห็นผิดได้ล้างความเห็นผิดได้ก็เกิดความเห็นถูกและสัมมาทิฏฐิจะเห็นในในรูปธรรมนี้มีแต่สภาวะของรูปธรรมที่เกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆความรู้สึกทางใจนมามธรรมทั้งหลายหรือตัวจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับไปเช่นจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด จิตเดียวก็สุขจิตเดียวก็ทุกขจิตเดียวก็ดีจิตเดียวก็ร้ายเห็นแต่มีความเกิดดับไม่ได้มีสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรนะเพราะเราเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งนะเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวร อ, อย่างพวกเราที่เป็นปูุ้ชนเราจะรู้สึกในเนี้ยในร่างกายเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นขันมันเกิดดับได้นะกระทั่งจิตก็เกิดดับได้จะรู้เลยว่าไม่มีเราหรอกความเป็นเรานะั้นเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเป็นคราว เป็นความคิดเป็นความเห็นผิดเกิดขึ้นเป็นคลาล์ๆเท่านั้นมันคิดผิดนะมันก็เห็นผิดนะเห็นผิดจนชํานาญไว้หมายผิดๆเรื่อยไป่าเลยวิปลาสนานาชนิดไปจิตว si ิปลาสเนี่ยพวกคิดผ so ิดพิธิวิปลาสพวกเห็นผิดจัญญาวิปลาสพวกหมายผิดๆหมายว่ามีเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงในสุจะล้างความเห็นผิดไปเป็นกิเลส ที่เราสู้กับมันตัวแรกนะตัวสุดท้ายของการต่อสู้ในสังสารวัตนี้คืออวิชชานะวันนี้ได้8ดโมงแล้วเอาได้แค่สักยัติจีก็พอแล้วเนาะนะเชิญไปทันข้าว